สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มาจากพื้นฐานภูมิต้านทานซึ่งภูมิต้านทานมีความสำคัญและสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายเช่นระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อและระบบหลอดเลือดและหัวใจภูมิต้านทานผิดปกติจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งโรครู ม, มาตอยโรคสะเก็ดเงินโรคลู ป, ปัสหรือโรคพุ้มพวงโรคภูมิแพ้หอบหืดลมพิษ ไซนัสโรคมะเร็งโรคตับอักเสบและโรคติดเชื้อจากไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพาราไซต์และโรคอื่นๆวิวัฒนาการใหม่ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีโฟลีฟทรานเฟอร์แฟกเตอร์มาถึงมือคนไทยแล้ววันนี้จากงานศึกษาวิจัยเรื่องภูมิต้านทานวัณโรคในปี1949ทำให้ค้นพบทรานเฟอร์แฟ t เตอร์ ซึ่งเป็นสารส่งต่อภูมิต้านทานให้กับคนได้ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้งบประมาณกว่า40ล้านเหรียญสหรัฐในการศึกษา Transfer Factor ได้จดสิทธิบัตรในปี1989และวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1998มียอดจำหน่ายเติบโตมากกว่า50ล้านเหรียญในปี2001จึงขยายการจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า40ประเทศ จนติดอันดับเป็นบริษัทที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่15ในทำเนียบ500บริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่ทั่วโลกยอมรับเป็นสารอาหารชนิดแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซียอนุมัติให้ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ transfer factor ในการร่วมรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากสถาบันวิจัยมะเร็ง AMC ที่โคโรราโดผลิตภัณฑ์ For l i f e Transfer Factor ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานฮาลางผลการศึกษาเป็นเวลา7ปีจาก198ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพบว่า For l i f e Transfer Factor Advanced สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทานได้มากถึง 283% และผลิตภัณฑ์ For l i f e Transfer Factor a d v a n c e Plus สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทาน 437% ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในธรรมชาติถึง10เท่า For Life Transfer f o l าฟ์ทรานเฟอร์แฟกเตสกัดจากโคล s สตุมของวัว ก, กับไข่ไก่โดวยวิธีการกรองด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ผ่านการจดสิทธิบัตรปราศจากสารตกค้างจำพวกฮอร์โมนยาฆ่ามแมลงหน้าที่คือเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยทาให้เกิดการแยกแยะจดจา และต่อต้านเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปทำลายเชื้อโรคต่างๆอาทิเซลล์มะเร็งแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราต่างๆ For Life Transfer Factor ซึ่งสารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเม็ดเลือดขาวซึ่งถ้าเม็ดเลือดขาวดีก็จะทำให้เรามีภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆที่เป็นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราได้ดีนอกจากนั้นระบบภูมิต้านทานของมนุษย์เรา ก็จะเกิดการจดจำได้ด้วยทำให้เกิดการต่อต้านเชื้อโรคได้ดีอย่างต่อเนื่องทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะระบบบันทึกของร่างกายมีการต่อต้านเชื้อโรคได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอ <S <S กลไกการจดจำและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิต้านทานโรคของโฟลายทรานเซิร์ฟแฟกเตอร์มีดังนี้ 1. ทําทำความรู้จักหรือ recognize 2. ตอบสนองหรือ response 3. จําฝังลึกประทับลงในจิตสานึก หรือ remember โฟลีฟท랜เฟอร์แฟกเตอรเป็นสารอาหารชนิดแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศรัสเซียอนุมัติให้ใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับยาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการรับรองทางการแพทย์คือ PDR ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอเมริกาโฟ l i ฟ e Transfer Factor ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอินูมิอีกด้วยโฟลิฟทรานเฟอร์แฟกเตอร์เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักสุขภาพมาถึงเมืองไทยแล้ววันนี้เสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแปร่งด้วยโฟลิฟทรานเฟอร์แฟกเตอร์